คำ ว, ว่าฐานอารมณ์หมายถึงว่าขณะปัจจุบันนี้เราสัมผัสอะไรได้บ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราทำมาสามสี่วั น, เ, นเราต้องการสร้างตัวรู้ให้แยกออกมาเห็นตัวเองเหมือนเรามายืนดูตัวเองเหมือนเรามายืนดูคนอีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่นึกแล้วก็แยกออกมาไม่ใช่นะแต่ให้รู้สึกว่าเรากำลังดูกายดูใจตัวเองว่าขณะนี้เรารู้สึกองไรสบายหรือไม่สบาย ถ้าเราเฝาดูจริงๆเนี่ยตัวเราเองเนี่ยสบายไหมเราเข้าดูกายดูใจของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกสบายไหมถ้าใครรู้สึกสบายนีย่แสดงว่าไม่ปกติเพราะปกติมันคือไม่สบายเย็นก็ไม่สบายนั่งเนี่ยก็ไม่สบายนะปวดหลังปวดเอวปวดอะไรไม่ใช่ตัวรู้สึกร่าง ก, กายของเราขนาดนนีะ้นั่นดิคือฐานอารมณ์ปัจจุบันเพราะยองสับสนอยู่ น, นิดหน่อยสับสนด้วยคืออารมณ์หมายถึงแต่เรื่องกายอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องใจอย่างเดียวไม่ใช่นะทั้งกายทั้งใจณ่าปัจจุบัน เพระนั้นอันนี้ปรับฐานอารมเบื้องต้นก่อนเพราะหลักเกณฑ์ของมันก็คือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมก็เรือันนี้อย่างและการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลให้เกิดอะไรทางกายต้องเกิดอะไรถ้าสมมุติว่าร่างกายต้องไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างนิ่งหมดเลือดไม่เดินลงไม่เดินนิน่งสนิทเราจะรู้สึกตัวไหมเลือดไม่มเดินไม่เดินจะรู้สึกตัวหรือมันก็ตายเท่านั้นแหละก็เลือดไม่เดินลงไม่เดินมันก็ตายก็ revealing? ไม่รู้สึกตัว แต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยเป็นไงตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวปับ๊บโอ้อยากจะนอนต่อเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะรับรู้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใขนขณะอันที่ตื่นมาทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งอยากจะห้องน้ําปวดหนักปวดเบาใช่ไหมปรากฏผู้พับไปหม ด, ด, ด, ด, ด, ดเราจะต้องรีบแล้วรีบไปล้างหน้าไปแปง้งฟันไปอาบนะ้ำสารพัดลเล อ, อแบบนี้นอนยาวเลยก็ดีนะไม่ต้องมายุ่งกับปวดหรอกมันทุก พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ทุกเลยใช่ไหมแต่เราไม่เคยที่จะมาใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้เพราะนกมาเห็นปลาปลามาเห็นน้ําคนไม่เห็นทุกนอนที่อยู่ในช่วงไม่เห็นหมูดเห็นคูดที่ดูดกินทันว่ามีค่าเส ม, มอกันเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อให้มาเห็นทุกเหล่านี้ก่อนแต่เวลาเราเราปฏิเสธในช่วงที่เราอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถือว่าเสว่วิวากรรม เพราะเราเกิดมาด้วยแรงกรรมใช่ไหมถ้าพ่อแม่หรื อ, อบรรพุรุษของเราไม่ทํากรรมกันมา <c oughs> เราจะได้เกิดไหมกรรมที่ทํากันมาที่ทำให้เกิดเราเนี่ยเป็นกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลกรรมที่ท่านทําให้เราเกิดมาเป็นกุศลแรือกุศลกุศลท่างกุศลท่านอกุศลเป็นทั้งกุศลและอกุศลนะท่านส่วนที่เป็นกุศลอย่างเดียวเราก็ไม่ได้เกิดมาใช่ไหมเราก็ต้องไปนิพพานตั้งนานแล้ว แต่ท่านทํากรรมที่เป็นอกุศลอยู่ด้วยถึงทําให้เราเกิดมาใช่อ่าเพราะฉะนั้นแปลว่าที่เป็นกุศลอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่นำมาจะนั่งทุกทรมานเพราะหิวเพราะอยากเพราะหนักเพราะเบาใช่ไหมเพราะหนาวเพราะร้ อ, อนเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งทรมานอย่างนี้ถ้าเป็นกุศลอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเป็นอกุศลเสียด้วยเราเกิดมาเราก็ทกํากุศลอกุศลต่อ ถ้าเราไม่ทํากุศ ล, ลกุศลตดอกเราก็ไม่ต้องมาเสวยทุกอย่างเนี่ยทำงานตากแดดตากฝนไม่อยากไปก็ต่อมไปถูกลูกถู ก, ล, กลูกดา่าวังถูกเมียด่าวางถูกัวดาวางถู ก, ก, กเจ้านายด่า้างถูกเพื่อนร่วมงานเบียดเบียนอิชา้าตาล้อนกันบ้างใช่ไหมพุกรับทิ้งที่เป็นกุศลกันตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาศึกษาฐานของอารมณ์ปัจจุบันเนี่ย เราก็จะทุกอย่างตลอดไปไม่มีที่สิ้นจบดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดมามีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นและทุกเท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนี่เพดังนั้นถ้าพูดถึงทุกเนี่ยท่านหมายถึงทุกทั้งทางกายและทางจิตด้วยแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะทุกทางเดียวคือทุกทางไหนทุกทางกาย ทุกทางกายแม้แต่พระหันรพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์เพราะอะไรเพราะร่างกายทั้งก็เป็นอะไรอนิจจังทุกขังนัตตาร่างกายหรือรูปทั้งหลายไม่สามารถจะอยู่เหนือกฎของอนิจจังได้เลยต้องอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังหมดแม้แต่ความคิดที่เป็นนา ม, มารูปเนี่ยก็เป็นอะไรด้วยเป็นอนิจจังทุขังนัตตาไปด้วยใช่ที่ไหนมีรูปไม่ว่าที่เป็นรูปนามหรือนามรูป อยู่ภายใต้กดทุกอย่างทุกอางน้าตามหมดแต่ที่เราไปเห็นในส่วนที่มันเป็นความพอใจเราลืมไปหลงอันนั้นแต่ความจริงในความพอใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่พอใจด้วยความไม่พอใจก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากความพอใจนั่นแหละความสบายเกิดจากอะไร ก็ความไม่สบายสมมติเรานั่งเนี่ยไม่สบายใช่เรารู้ขึ้นรู้สึกเป็นไงสบายใช่ไพอยืนไปสักพักหนึ่งรู้สึกสบายสักพักก็เป็นไงสบายไหมความไม่สบายเกิดจากอะไรก็เกิดจากความสบายนั่นแหละแต่เราไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งแล้วนี้แต่ถ้ามันมีแต่ความสบายไม่สบายทางกายทางเดียวเนี่ยพอทนไหวแต่มันบวกเข้ามาอีกความสบายและความไม่สบายทางจิตด้วยดันั้นเราจึงมาเรียนรู้สิ่งนี้ พุทธเจ้าบอกว่าเราสามารถที่จะ อ, อยู่กับความสบายไม่สบายของกายได้อย่างปกติเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราสามารถบำบัดได้แต่ความสบายไม่สบายทางจิตที่เราเรียกว่าความ สุขความทุกข์ทางจิตมันไม่ใช่จะลุกขึ้นแล้วมันหายไปอย่างที่เราบำบัดทางกายอย่าโยมถูกด่าไม่พอใจโยมลุกขึ้นเนี่ยความไม่พอใจหายไปไหมมันก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นความพอใจไม่พอใจทางจิตไม่สามารถบำบัดด้วยอีเดียบทมันจึงเป็นเรื่องยากแล้วก็บางทีมันไม่ใช่อยู่แค่เดี๋ยวๆนะบางทีอยู่เป็นวันใช่ เมื่อโกรธกับกาแฟนี่เงี้ยโอ้โหมันไม่สบายทั้งวันเลยใช่ไหมไปที่ไหนทําอะไรก็ไม่สบายทั้งนั้นน่ะดูหน้าดูอะไรก็ไม่สวยไม่งามไปหมดแม้แต่อาหารก็ไม่อร่อยกลิ่นที่เคยหอมก็ไม่หอมที่นอนที่เคยนุ่มนิ่มก็ไม่นุ่มนิ่มแล้วอาหารที่เคยอร่อยก็ไม่อร่อยถ้าได้โกรธกันนะสมมติเราถูกด่ามาถูกประมาทมาถูกตกมาอย่างเงี้ยให้มันจะสบายล่าเริงเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้แล้วนะ มันจะร้อนๆ้อร้อ น, อ น, อนเพราะฉะนั้นตัวความไม่สบายทางจิตเนี่ยมันแก้ไขยากท่านริงเอาตัวนั้นเป็นเหตุของทุกข์ที่แท้จริงแต่ร่างกายเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบอ่าหมายความว่าเราสามารถบา บ, บัดได้ไวดังนั้นเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติต้องมาทำความเข้าใจความสบายไม่สบายท า, ทางกายเนี่ยมายอมรับความสบายไม่ไม่สบายทางกายเนี่ยให้ชัดเสียก่อน ความสบายก็มีหลายระดับความไม่สบายก็มีหลายระดับระดับที่เราทนได้สบายๆสองระดับที่เราทนไม่ค่อยได้สามระดับที่เราทนไม่ได้เลยมันจะมีสามระดับที่เสมอใช่ไหมระดับที่เราทนได้สบายๆเราเรียกว่าอะไรสุขเวทนานีระดับที่เราทนได้ระดับที่เราทน พอพอทนได้เนี่ ย, ยจะลังเลแล้วใช่ไหมจะเปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนดีจะทด้วยไม่ทาดีก็ทนทนไปก่อนระดับที่ทนได้ส่วนใหญ่สามระดับเราอยู่กับระดับไหนมากกว่ากันหนึ่งระดับที่ทนได้ง่ายสองระดับที่ทนได้ยากสามระดับที่ทนไม่ได้เราชอบตัวไหนทั้งสามตัวระดับที่เราทนได้ง่ายเรียกว่าสุขเวทนา แล้วหับแล้วที่พอทนได้เลยว่าพอเฉยๆได้พอทําใจได้แล้วรับที่ทนไม่ได้เลยเนี่ยฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอันทนไม่ได้แล้วเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งสมว่านั่งอย่างเงี้ยตอนแรกนั่งสบายๆนิ่งๆใช่ไหมพอนานขึ้นมาอีกหน่อยเป็นไงเริ่มขยับนู่นขยับนี่อันนี้พอทนได้ใช่ไหมถ้านานไปกว่านี้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นไง ฉันทนไม่ได้แล้วนะฉันต้องลุกแล้วใช่ไหมใครจะมาบอกให้เรานั่งแนละ้มึงจะตื่นในดิ้นนั่นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยใช่ไหมอันนี้มันมีอยู่สามระดับเนี่ยท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าความจริงเนี่ยสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์ที่เราทนได้ง่ายที่เรียกว่าสุขเคยเท่านั้นเพราะนั้นคาว่าสุขกับทุกข์มาจากคําเดียวกันนะแต่มันมาจากคำา่ะ สุขมันมาทุกข้างหน้าแล้วก็ขมัเพราะนั้นคำว่าทุกจังมีขอกระรานอย่างเงี้ยมันมาจากคําว่าขมาั่นอ่าแปลว่าทนนะคือหมายความว่าสุขก็ต้องทนทุกก็ต้องทนบางคนสุขมากจนทนไม่ได้เป็นไงร้องไห้เจอกันได้ไหมเกิดปีติดูหนังเรื่องซึ้งๆน้าตาไหลทนได้ไหมสุขจนทนไม่ได้อ่ะอ่า บางคนสุขมากจนทนไม่ได้โมเลดังระเบิดออกมาเลยใช่ไหมนั่นแหละสุกจนทนไม่ได้คนที่อ้วนกินอาหารอร่อยมันอร่อยมากจนทนไม่ได้ที่จะกินนี่กินมากเข้ามากเข้าไปไ ง, ไงมันก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บนั่นสุขจนทนไม่ได้ออกมาเป็นโครคภัยไข้เจ็บถ้าสุขพอทนได้ก็กินไม่ต้องกินอร่อยก็อยู่ได้แต่เราทนที่จะกินอร่อยไม่ได้ก็ต้องกินอร่อยนี่ก็เลยสุขจนทนไม่ได้ ทุกไม่ต้องพูดถึงว่าทนไม่ได้ยังไงใช่ไม่มพราะเราห น, นีอยู่แล้วนะฉันร้อนจนทนไม่ได้ฉันต้องไปเปิดแอร์ให้ได้ไม่เปิดแอร์เนี่ยเป็นเรื่องเลยนะนเอฉันอร้อนจนทนไม่ได้ฉันต้องไปซื้อพัดลมมาอะไรเนะี่ยดังนั้นเห็นใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องทนตลอดไม่ว่าสุหรือทุกแต่ถ้าหากว่าทนได้ง่ายก็เรียกว่าสุถ้าทนได้ยากเร้ยว่าทุกสุแปลว่าดีงามง่ายทุกแปลว่าทนได้ยาก ทุกแต่ว่าชั่วแปลว่าชั่วแต่ว่าไม่ดีเพราะนั้นอะไรคําว่าทุศีลอย่างเงี้ยอันนี้ศินไม่ดีแล้วคนนี้ทุจริตดังนั้นคราพฤึงไม่ดีแล้วชอ่อกโกงเพราะคนนี้สุดจริตมีความประพฤึง ด, ดีนี่สุดเป็นภาษานะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องเรียนรู้เพื่อสวยทุกขด้านเดียวคือด้านไหน ดรูปคือร ก, กายนี่แต่ทุกอีกด้านหนึ่งมันสามารถที่จะเอาออกได้เพราะอะไรทั้งด้านนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปนามเป็นสิ่งที่สิ่งใดที่ไม่ใช่รูปสิ่งนั้นก็อยู่เหนือกฎอะไรเหนือกฎไตรลักษณ์ได้สิ่งใดที่เป็นรูปไม่วายาบ ก, กลางละเอียดเป็นเทวราอินพรมยมาราชก็ตามอยู่ภายใต้กฎของตรลักษณ์ทั้งหมดกฎท้งไตรลักษณ์ก็หนีอนิจจ์ทุกขังไม่พ้นน่ะ ใช่ดังนั้นที่เรามาปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไรเพื่อจะมาศึกษาเอาตัวนามออกมาจากรูปให้ได้เหมือนที่เราบางครั้งเราต้องการกะทิเพียงอย่างเดียวบางครั้งเราต้องการน้ำมันเพียงอย่างเดียวสมมติว่าจะทอดไข่เนี่ยต้องการน้ำมันเพียงอย่างเดียวใช่มสมมติจะแกงกะทิต้องการกะทิอย่างเดียวไม่ต้องการน้ำมันแต่ในกะทินั้นมีอะไรด้วยมีน้ามันด้วยในน้ามัน่มีกะทิอยู่ไหม อตอบให้ดีนะก่อนที่จะตอบถามอีคํานึงในกะทิมีน้ํามันอยู่ไหม ม, มีในน้ํามันมีกะทิอยู่ไหมไม่ไมีมอ่าเห็นไหมในรูปนั้นมีน้ําอยู่แต่ในน้ํานั้นมีรูปอยู่ไหมอ่าลืมเป็นตรร ก, กะที่จะเข้าใจได้ละในกะทิมันมีน้ําอยู่แต่ในน้ํามันมีน้ํามันแต่มันไม่ใช่น้ํา เป็นน้ำของมันต่างหากแต่มันก็เกิดมาจากน้ําในรูปนี้มีน้ําอยู่ในน้ำนั้นก็สามารถมีรูปอยู่แต่น้ําแยกมาตัวต่างหากโดยไม่มีรูปเลยก็ได้ามาจะยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้เรารู้สึกเย็นร้อนอ่อนขังแข็งตึงไหมเรารู้ได้เพราะอะไรเพราะเรามีอะไรเพราะมีน้าถ้าเราไม่มีน้ำเนยเราจะรู้สึกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ เนี่ยหมายก็ว่าในกะทิมีน้งมันอยู่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเรานึกถึงพ่อถึงแม่ที่บ้านเราเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ภาพคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นในใจเป็นของจริงไหมเราเหตุการณ์ที่เราเหมือนนึกว่าเดินอยู่ในบ้านของพ่อของแม่ต่างจังหวัดนั้นตัวเราที่เดินอยู่นั้นเป็นตัวเราจริงๆริงไหมเราเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือที่ตายไปแล้ว ภาพที่อยู่ในหัวของเราขณะเนี้ยเป็นภาพที่จริงไหมไม่จริงเราเห็นตัวเองกําลังเดินอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านขณะ น, นี้ตัวเราไปเดินอยู่ที่นี่จริงๆริงไหมนี่เขาเรียกว่ารูปที่ไปกับนามมันเป็นรูปที่ไม่มีจริงแต่ขณะนี้เรารู้สึกจิตโล่งๆว่างๆโปร่งๆไม่มีภาพอะไรในหัวเลยมีแต่รู้สึกเฉยๆความรู้สึกเฉยๆโดยที่เห็น ความไม่สบายกายเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นความรู้สึกรุนร้วน ร, รู้ตัวเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งตรงนี้คือความยากของผู้ปฏิบัติที่ไม่สามารถจะแยกกันให้ชัดได้จึงมีการบำเพ็ญภาวนาถ้าเราพูดถึงน้ากฐทิเราเข้าใจได้แต่ถ้าพูดถึงน้ำมันโดยที่ไม่มีกฐิเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเราสามารถแยกกะิออกมาได้แยกน้มันออกมาได้ไหมไม่ได้ ถ้าน้ำกระที่เน่าน้ำมันก็ไปไงเน่าไปด้วยเสียไปด้วยที่ในกรณีที่จะทําไงถึงแม้น้ํากระที่เสียไปโดยที่น้ํามันไม่เสียเนี่ยเราจะทําไงน้ํากระที่เน่าไปแต่น้ํามันไม่ได้เน่าด้วยเนี่ยเราจะทําไงเราจะต้องมีวิธีการใช่ไหมอ่าสกัดมีสองแบบหนึ่งสกัดเย็นสองสกัดร้อนทั่วไปคนส่วนใหญ่ตั้งแต่บโบราณมาเราสกัดเย็นหรือสกัดร้อนอ่าสกัดร้อนใช่ไหม แต่สกัดเย็นเนี่เพิ่งมีมาไม่นานนี่เองนีคูลเพลสเนะี่ยได้สกัดเย็นซึ่งก็เป็นเทคนิคใช้สารเคมีบางตัวเข้าไปละลายในกะทิ<ม>เพื่อจะให้น้ํกา ก, กะทิตกตะกอนอ่าเราก็เจอแต่ลินเอาแต่น้ำมันออกมามถามว่าสกัดเย็นส ก, กับสกัดร้อนเนี่ยอันไหนบริสุทธิ์อันไหนไม่บริสุทธิ์ถ้อาอันไหนไ ม, มียังน้ําผสมอยู่อันไหนไม่มีน้ําผสมอยู่เลยถ้าเราน้านําน้ํามันมะพร้าวที่สกัดเย็นไปใส่ขวด กับสกัดร้อนจนไม่มีน้าอยู่เลยไปใส่ขวดมาตั้งไว้ในอากาศปกติเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเห็นว่าตัวสกัดเย็นเนี่ยมันจะกลายเป็นไข่ซะก่อนใช่แต่ตัวสกัดร้อนน่ะจะไม่เป็นไข่เพราะว่ามันถูกเผาผลานน้ำจนหมดแล้วเพราะนั้นสกัดร้อนจะสะอาดกว่าสกัดเย็นสกัดเย็นนั้นมีส่วนน้ำปน เพราะนั้นการเราดึงลูกของดุงน้ำอระมาณมีสองลักษณะลักษณะสกัดเย็นเรียกว่าสมรรถมีอาสวะปนเปื้อนอยู่ลักษณะสกัดร้อนเหลือวิปัสนาไม่มีอาสวะเหลืออยู่เลยอาสวะเหมือนน้าที่ปนเปื้อนในน้ํามันนะเพราะนั้นสกัดร้อนหมายถึงว่านี่คือเรามาทําความเพียรแต่ถ้าเราไปสกัดเย็นเรานั่งสงบสบาย นั่งภาวานานิ่งใครยัามายุ่งนะฉันจะนั่งภาวานาแล้วตอนนี้ถ้าใครมายุ่งไปเรื่องเลยนะบอกเข้าประตูไม่แ ม, มเดี๋ยวโทรศัพท์มากูกำลงังภาวานามงูยังมายุ่งบอกเขาบอกว่าก่อนหนะ้าอย่างอยง่ภาวานายังไม่เสร็จเป็นไงอาสวะเกิดเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคือความขุ่นมัวนีเห็นไหมถ้าใครนั่ ง, านานาาางเรานั่งภาวนางเงียบๆข้างเราใครมาทําสงเสียข้างนอกเปไ็นเริ่มขุ่นแล้วใช่ไหม แต่แล้วทำวิปัสนาไม่ใช่วิปัสนาก็ยง่ายยิ่งวุน่นยิ่งวายยิ่งอะไรไม่ไม่สนใจทั้งนั้นใจยังใสยอยู่เหมือนเดิมนี่คือความต่างว่าทําไมต้องสกัดร้อนทําไมต้องสกัดเย็นสกัดร้อนแน่นอนต้องใช้ความเพียรที่สูงคุณจะต้องก่อไฟคุณจะต้องมีแกส๊สคุณจะต้องใช้ความร้อนสูงถึงจะเอาให้มันสกัดแยกน้ํากับน้ำนมันออกให้ได้เหมือนกันที่เรามานั่งเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรสูง เหมือนเขาใช้อานตาปีเราต้องมานั่งยกมือต้องมานั่งเดินชงกม ต, ต้องมาขยับค่อยลุกค่อยนั่งค่อยอย่างค่อยเดินค่อยกินค่อยอยู่ค่อยนอนนะเป็นเรื่องภาวะที่ทรมานมากซึ่งไม่ใช่ชีวิตปกติของเราใช่ไหมแต่เราต้องการสกัดตัวรู้ออกมาจากตัวไม่รู้เราถึงจะทําเรื่องนี้ทั้งบุตรถ้าเราไม่สมัครใจมาทํานี้ใครมาบังคับเราทํานี้เป็นเรื่องเนะี่ยได้ได้ด่ากันบ้านเปิงเลยนะแต่นี่เราคอยใจที่จะทํา ยังจะชัดไม่ได้เพราะว่าโยมเพิ่งใหม่อยู่ต้องอาศัยชั่วโมงบินกุนอีองหน่อยแต่ฟังไว้ก่อนก็ได้แต่หลวงพ่อพยายามยกรูปประมให้เห็นเพื่อเข้าใจง่ายๆไงในบางการณีความสงบมันมีสี่ชั้นนะชั้นที่หนึ่งเรียกว่ายังมีความวิตกวิจารณ์อยู่ปิติสุเอขตาชั้นที่สองวิตกวิจารหายไปใช่เหมเดสุ ปิติสุกเอกาตาชั้นที่สามปิติได้สูญหายไปเหลือแต่จิตเป็นหนึ่งชั้นที่สี่มีสติและอุเบกขาจิตสงบด้วยแต่มีเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชั้นที่สเนี่ยใครมัวเขาเรียกก็ไม่รู้ละคือเข้าตัวสงบ ส, สนิทไปเลยพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นพรมชั้นสูงนี่เข้าเข้าสงบเพราะฉะนั้นคนที่เข้าชา้นชั้นสูงเนี่ย มันคล้ายๆกับวิปัสนาแต่ถามว่าอชานทั้งสูงเนี่ยสามารถอยู่ได้ตลอดไปไหมออกจากความสงบอย่างนั้นได้ไห ม, หไมใช่ไหมไม่คงที่ใช่ไหมเมื่อเราออกมาจากห้องโอเคตอนที่เรานั่งภาวนาใครมาก็ทำมือถึงตัรกับพ่อ เ, เราพ่อชานที่สีได้นะี่ยไม่จิตไม่ไ ม, ไม่ไม่กระเพิ่มเลยนะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หลังจากจะออกมาสมมุติสามีหรือวัญญา คุณไปนั่งทําอะไรทั้งห้องทั้ง น, นั้นงานการมีคุณทํามไม่ทำคุณไปนั่งหลับตาอย่างนี้ต่อเลี่ยไปเลยแล้วคุณจะกินอะไรยังปกติอยู่ไหมที่ออกจากห้องใหม่ใหมตอนแรกๆก็ยังปกติอยู่นะโดนทั้งสองครั้งสามครั้งชักร้อนแล้วใช่ไหมเนี่ยคือมันไม่คงที่ไงความสงบแบบนั้นถึงจะสงบช่วงแรกๆเนี่ยที่จิตมันนิ่งอยู่มีอะไรที่ เ, เรียกว่ามันสงบได้นาน น, นะนะคอยเจอสักสองสามลูกเจอ บ่นเจอว่าเจอด่าเจอกระทบสักสองสามช็อตเข้าไปเนี่ยชัดแผ่วๆขึ้นมาลราจะกระเทือนแล้วว่นงั้นแต่ถ้าวิปสัสนาไม่ใช่วิสมาคุณมีแรงด่าคุณด่าไปสามวันเจ็ดคืนจิตยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมเคยในผู้ที่เจ้าบอกว่าไปบิณบาตถูกนางมาคันธิยาจ้างเพื่อนมาดา่าจิตวันอ่ะจนพระอนนทนไม่ได้ ไฟเหอะหลวงพ่อมาจะมาบินย่อยบาตกินกับบ้านนี้เลยมันด่าเราทุกวันมันจะอนนนไฟเกิดที่ไหนต้องเอาน้ําที่นั่นดับไฟเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นให้มันมันด่ามันมีแรงด่าแล้วด่าไปแค่เราดูมันเฉยๆอย่าเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองในที่สุดวันที่หกที่เจ็ดมันไม่มีเงินจ้างคนคนก็เลิกไม่มาด่า อ น, นุออ่องนีคือวิปัสสนาเนี่ย ม, มันมันมีนิ่งแต่มีปัญญาสามารถป้องกันได้นะไฟจุดเทียนไขไว้ในที่รุ่งกับจุดเทียนไขไว้ที่มีกรอบมีโหลกแก้วครอบอยู่นะอันหนึ่งอยู่ในโหลกแก้วขเขาเรียกว่ามีมีกระปะอ๋อมีเขาเรียกอะไรครอบมันนะนะ อันหนึ่งไม่มีถ้าไปตั้งที่โลกเหมือนกันเนี่ยเมื่อลมพัดมาเนี่ยเชียนไขายสองเล่มจะแตกต่างกันไหมอ่าเล่มที่ไม่มีอะไรครอบอยู่เลยไปนไงมันจะดับก่อนหรือมันก็จะไม่ปกติแล้วมันจะใส่ไปใส่มาลึกเกือบดับอย่างเงี้ยหรือแรงดีก็ดับไปเลยแต่ไอ้ส่วนอยู่ที่ในในกรอบแก้วเนี่ยพัดอย่างไรก็ดับยากถ้าไม่แรงจริงๆนะก็ไม่ดับต่างกัน เพราะนั้นจิตของเราในขณะที่ไม่มีลมพัดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเทียนอยู่ในที่โหลกแก้วกับเทียนที่อยู่ข้างนอกมันนิ่งเหมือนกันเพราะยังไม่มีอารมณ์มากระทบเนี่แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเทียนสองอันนีอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิัตต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบเทียนที่เหมือนสมถะ หมาความมันตั้งอยู่โล่งๆเนี่ยมีอะไรกระทบดับเลยแต่เทียนที้มีเวิทยามีตัวโหลแก้วที่ครอบอยู่เหมือนสมถะเอยเหมือนกับสัตว์สีสัมผัสเป็นโหลครอบอยู่เพราะฉะนั้นลมจะมากระทบใครจะมาด่ามาว่ามาอะไรก็มาก็เฉยๆเพราะมันมีตัวสี่สัมผัสคอยป้องกันอยู่ตรงนั้นที่เรามาฝึกตัวรู้นี่เพื่ออะไรเพื่อเป็นโหลแก้วตัวนั้นเอามามืกี้เปรียบเสมือนกับอินสูเลชันระหว่างกระติกน้ำร้อนเนี่ยนะตัวกลางนั่นแหละสีิสัมผัสทำหน้าที่ตรงนั้น วิธีการที่จะสกัดตัวรู้นี่ออกมาเนี่ยตัวรู้ที่เป็น ส, สติสมัมปชัญญะเนี่ยสติสมัมปชัญญะนั้นจะมีผลเป็นวิปัสสนาได้ง่ายกว่าเพราะว่ามาพ่อภูนมันโดยเฉพาะแต่ว่ากำลังสงบหรือฌานเนี่ยมันผ่านสติกสมาธิแต่ไม่มีสมัมปชัญญะมันจึงเป็นพลังฌานที่ชั่วคราวเ้าจึงเรียกว่าสมถาะ ถ้าสติบวกสมาธิออกมาเป็นสมถะถ้าสติบวกสมาธยะออกมาเป็นวิปัสนาอ่าจำไว้เลยเพราะสติและสมาธิมันโฟกัสบางจุดที่ต้องการแต่สติสมายะมันไม่โฟกัสแต่มันสามารถรู้ทั้งหมดทั่วตัวเพราะฉะนั้นกำลังรู้มันจะสูงกว่ากำลังรู้มันจะสูงกว่าเหมือนกับหลอดธรรมราก็ลอดสปอตไลท์อะไรอย่างนั้นอ่า ดังนั้นเมื่อเรารู้หลักอีนนี้เราก็าจึงพอกพูนตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้มากเข้าไว้เพื่ออะไรเพื่อที่กำลังของตัวรู้แทนที่มันจะไปเป็นพลังฌานแต่ตัวรู้ตัวนี้มันจะออกมาเป็นพลังญาณเรียกว่าวิปัสนาญาณจะไม่ใช่ชานหนึ่งสองสามสี่ละแต่จะออกมาเป็นญาณ เราจะเรียกว่ายานามยานสิบยาน8ปยาน9ก้ า, 3, า, 16, า, 8, าก็ดำละ่ะแต่ออกมาเป็นยานเรียกว่าวิปัสนาญาณแต่ถ้าหากว่าไปทำสติและสมาธิโดยที่ไม่มีสัมมยะจะออกมาเป็นพลังฌานและพลังฌานตัวที่เขาสามารถจะพัฒนาเป็นพลังจิตเป็นพลังครังศักดิ์สิทธิ์อีทิ่าฏิหารสามารถที่จะแสดงพลังของจิตออกมาในรูปแบบต่างๆที่พุทธเจ้าไปเรียนมาก่อนหรือใครนะ อ า, าดาได้รงบทญกับอุทะกาดาบ ท, าบทใช่ไหมเป็นพลังสามารถที่จะทําอะไรก็ได้แต่คุณจะออกไปทําการทํางานอะไรมากแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อทุนถูกกระทบเราคุณไม่สามารถจะรักษาพลังหยันี้ไม่ได้เหมือนเราออกไปข้านอเราถูกดานะ่าเนี่ยพุทธเจ้าบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นท่านท่านท่านค่อ น, นข้างตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุธรรมนะแต่ท่อนข้างมีประสบการณ์อนะในเรื่องนี้เพราะว่ท่านเคยนั่งสมาธิตั้งแต่ใต้ต้นว่าสมัยที่ท่าน โยมพ่อพาไปแลกนาขวัญใช่ไหมทาพิธีแลกนาขวัญสมัยเด็กอายุเจ็ดเก้าวบอะแล้วท่านพี่เลี้ยงก็พาท่านเพี่เลี้ยงก็จะออกไปดูเขาทําพิธีแลกนาขวัญทางสนามหลวงก็เลยเอาเจ้าชายเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่านะเวลาผ่านไปสามโมงสี่มุกลับมาเอ้าเจ้าชายนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าเขาแปลกใจเอ๊ะท่าบุรีอากาศช่วงบ่ายสามสี่มงเนี่ยคุณนั่งอยู่นี้ เงาคงต้องไปนู่นเลยใช่ไหมยาวไปนู่นแล้วแต่นี้เงายังนิ่งอยู่กับตัวอยู่เลยยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ย้ายไปไหนเลยพวกนี้ก็แปลกใจเอ๊เงาทําไมทรงอยู่ก็ไปบอกเจ้าพระเจ้าสุทธาาุทธนะมาเจ้าสุธลงกาบลูกเป็นครั้งแรกตอนนั้นครั้งที่สองครั้งแรกตอนที่ถูกทํานายว่าจะเป็นตัสสรุเป็นศสสาสดาเอกกาบลูกตอนนั้นแต่แต่สิทธุสีตะดาบนะุตรมาทํานายครั้งที่สองต อ, ตอนที่ลูก อันนี้เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่นั้นมันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ในแง่ของปรมาติ์ท่านบอกว่าสมาธิที่เกิดจากฌานเนี่ยมันเป็นสมาธิที่นิ่งอ่เป็นสมาธินิ่งไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่ไหวติงไม่ปรับตัวเมื่อไปเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็จะปรับไม่ได้แต่สมาธิที่เกิดจากสมมัทิยะเนี่ยมันจะเป็นฌานสามารถปรับตัวอยู่ได้ทุกสถานการณ์ เป็นวิปัสนาพุทธเจ้าท่านเลยเลิกที่จะทําสมาธิแบบนั้นแม้ครูบาอาจารย์สอนสมัยนั้นอาราตะตะบดุบบตะตะสอนอย่างดีชนมาท่านเรียนได้ไวมากเจาก้าข้าทั้งชนมาเป็นครูสอนด้วยกันท่านบอกไม่เอาเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ปกติเพราะถ้าผมออกจากนี้ไปผมก็รักษาอันนี้ไว้ไม่ได้ละมันยังเป็นชราอยู่ท่านวะคือมันยังเสื่อมได้อยู่ท่านก็เลิกท่านต้องการที่มันไม่เสื่อมอะสมาธิที่มันไม่เสื่อมเป็นมีไหม ไปหาหมดไม่มีงั้ท่านลอ ง, ลองหาเองในที่สุดท่านก็เจอวิธีหาเองท่านทำยังไงคือในภาษาของประวัติศาสตร์ท่านใช้คำว่าทรงเปลี่ยนจากการทรมานกายมาเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตคณดนคำนี้ใช่ไหมบำเพ็ญเพียรเพียรทางจิตโดยที่เมื่อก่อนเข้าใจว่ากิเลสมันเกิดจากกาย พอ่อตาเห็นนี่แหละทําให้เกิดกิเลสพวกหูได้ยินเนี่ยทําให้เกิดกิเลสเพราะจะมูดมกินลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิต น, นึกคิดเนี่ยทําให้เกิดกิเลสเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้อ ง, ต, องต้องทรมานร่างกายให้มันหมดสภาพไปเลยกิเลสมันจะได้ไมาอาศัยเกิดท่านก็ทําตามเขาตอนแรกอหะทรมานจนกระทั่งมีภาพประวัติศาสตร์ว่าภาพอะไรนะทําทุกขะละกิริยาใช่ไหมมีการทรมานกายจนเหลือแต่โครงกระดูกอะ ในที่สุดไปถึงจุดหนึ่งแล้วท่านบอกว่ามีมสิ่งช่วยที่ว่าได้ยินเสียงพินจะใครนะอ่าทีวาดมามดิดพินให้ฟังใช่ไหมอีเส้นแรกนี่ยานถึงทึงถึงทึงพหมุนเต็มที่แล้ดิอีกทีขาดพึ่งเลยทีที่เอาใหม่หมุนได้พอดีแล้วมาดีดใหม่เอามาคิดว่าในสมัยนั้นอ่ะท่านไปบำเพ็ญอยู่ใน อ่าอุลุเวลาเซนานิคมเนี่ยในส่วน เ, นเป็นเป็นอาจจะเป็นสวนลูกชาติอย่างสวนหลวงอย่างเงี้ยสมัยนี้นะเป็นลูกชาติหรือเป็นวณัอุทยานท่านไปบนงเพ็ญอยู่เท่นั้นที่ตามบกติลูกชาติหรือวณอุทยานมันจะมีคนไปเที่ยวอยู่เสมอใช่ไหมไอ้คนไปเที่ยวแล้วอาจจะเป็นพวกหนุ่มสาวเราไปเที่ยวแล้วมไปชอบเล่นดนตรีก็ดนตรีเป็นอิดท่านบางเคนท่านได้ยินเข้าอย่างเงี้ยท่านก็เกตขึ้นมาโอ้ตอนแรกมันคงยังไม่ทันได้ปรับมันดีทั้งไม่ได้เรื่องเลย แต่หลักมันปรับมากเกินไปมันดีทีเสียงหายไปเลยเออที่นี้มันปรับใหม่มันคงจะเอามาหลายตัวนะกีต้าร์มันนั่นหลายคนคนนึงปรับพอดีดีแล้วก็เลยไพ่เลาะอ๋อเราเหมือนกับเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตอย่างประมาทเหมือนกับเราเหมือนไอ้เส้นพินเนี่ยมันหย่อนเกินไปบำเพ็ญความดีขั้นสูงสุดไม่สามารถจะบรรลุได้เพราะใช้ชีวิตแบบประมาทหย่อนยานเมื่อเราออกมาบวชแล้วเรา ทิ้งชีวิตอย่างประมาทอย่างยันทําเต็มที่เลยมาทําการภาวนาเต็มที่ทั้งหกปีแล้วมาทําด้วยตัวเองก็ทั้งทรมานตัวเอ ง, เองจนแทบจะตายขณะเนี้ยก็เหมือนสายพินอีกสายนี่ดิบแล้วมันขาดเลยโอ้โหไม่ใช่ยัทั้งสองทางเี่แล้วทางที่ถูกเป็นยังไงมันก็ทางที่ถูกมันควจะเป็นพอดีสายกลางท่านได้นิมิตตรงนี้ปับ๊บท่านก็นมาทําพอดีใช่ไหมเริ่มอาบน้ำอาข้าเริ่มกินข้าเริ่มทําไร ปรากฏ ว, ว่าเป็นเยาวคีทั้งห้าออตอน่านอยู่ป่าอิสิใช่ไหมเอออยู่อุลุตอนแรกอยู่ป่าอิสิประนะอยู่ป่าอุลุเวลาเสนาณิคมก่อนแล้วพอทั้งห้าท่านไม่พอใจว่าท่านเปลี่ยนวิธีการมาใช้แบบนี้ทั้งห้าท่านไม่พอใจคือเป็นเยาวคีทั้งห้ า, า ห, หา น, นีจากอุลุเวลาเสนาไปป่าอิสิปณะนะมฤคธายวันอ่าอย่างนี้ถึงจะถูกตามประวัติศาสตร์นะนี้ไปอยู่ป่าอิสิ เมื่อทั้งหคนหนีไปแล้วท่านก็มาทดสอบโือที่ไม่มีเพื่อนมีเพร่อนไม่มีใครมาห้อมล้อมมาหวังผลด้วยกับเราแล้วจะทําศึกษาวิจัยของเราเองแหละท่านก็มานั่งวิเคราะห์อยู่เออในเมือ่อทุกมันเกิดทางกายมันเป็นอย่างนี้ทุกทางจิตมันเป็นอย่างนี้ทุกทางกายเออ บ, บําบัดได้ถ้าเกิดความพอใจไม่พอใจ บ, บําบัดค่อนข้างยากจะทํำกระดูสองอันเนี่ย ดูไปดูมาอา้าวทุกจากใจมันมาจากไหนทุกจากกายมาจากอะไรเริ่มวิเคราะห์เข้าไปละอย่าที่เราว่าไม่อกี้ใช่ไหมจนจนจนชั่วโมงอะทุกจากกายเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่พอดีใช่ไหมไม่พอดีขอ ง, องกายก็ปรับไม่พอดีของกรรมเรานั่งนานๆเนี่ยเป็นกายกรรมที่ไม่พอดีใช่ไหมทุกขึ้นมากายกรรมถูกปรับให้พอดีก็สบายเกิดจากกรรมหรือเราเดินไวเกินไปเนี่ย เกิดจากกรมที่เราเดินนานไปแล้วเหนื่อยเราเดินช้าเกินไปก็เกลิงกรรมไม่พอดีพอเดินสบายๆไม่ช้าเกินไปเมื่อกายกรรมถูกปรับให้พอดีความสบายก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเดินไปเกินไปเดินช้าเกินไปเกิดเกร็งบ้างเกิดเครียดบ้างมันไม่พอดีใช่ไหมก็มาปรับให้เดินพอดีอ๋อกำต้องพอดี เป็นสาเหตุอันหนึ่งใช่ไหมเราทํางานอะ่ะมุ่งทําหำมุ่งหำคข้มหรืออีกคนหนึ่งมันไม่ทําเลยมันแต่นอนกินอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่พอดีทั้งสองใช่อันนั้นเป็นขั้วหนึ่งขีเ้เกียจไม่อยากจะทําอะไรอีกคนหนึ่งทําแทบล้มแทบตายอันนี้ก็มากเกินไปไอ้สองคนนี้ก็ใช้ไม่ได้ในที่สุดทําตามพอดีตามกําลังของตัวเองทําพออยู่พอกินทําพอตัวเองไม่เดือดร้อนก็มีอยู่มีกินได้อ๋อพอดีอันนี้ก็กรรมอันหนึง่ง อีกคนหนึ่งทํางานหาเพื่อเพื่อจะเป็นเศรษฐีรลายล้านพันล้านใช่ไหมอันนี้ก็ไม่พอดีอีกคนหนึ่งหากินแต่ว่าไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักหากินแลก็ยิ่งเป็นหนี้เขาไปอีกเป็นคนจนแล้วยิ่งเป็นหนี้อันนี้ก็ไม่พอดีก็เป็นทุกข์เหมือนกันไอเ้เศรษฐีเป็นแสนล้านก็ทุกข์เหมือนกันไอ้คนจนจนเป็นหนี้ก็ทุกข์เหมือนกันไอ้สองอันนี้เป็นกายกรรมที่ไม่พอดีเอ๊ะทาพออยู่พอกินไม่ทุกข์เกินไปก็่ต้องรวยแล้วไม่ต้องจนพออยู่ได้เอออันนี้พอดีนั้นเราก็มาปรับที่กรรม อันที่หนึ่งนะร่างกายเนี่ยต้องมาปรับที่การกระทําถึงจะสบายอ่าอันที่หนึ่งแล้วเงื่อนไขมันมีอยู่สีเงื่อนไขที่จะให้ร่างกายนี้สบายหนึ่งกรรมสองจิตจิตของเราถ้ า, าว่ามันส่งออกไปคิดแต่เรื่องข้างนอกมากเกินไปมันก็หนักเพราะเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาร้อนอีกคนหนึ่งมันทําสมาธิตลอดเวลา มันไม่คิดเลยนะนั่งทำชีวิตจรนะรวยติดสงบคนนี้ไม่ต้องทําอาหารกินเลยนะไม่ได้นั่งกายต้องการอาหารใช่จะมานั่งสมาธเข้าฌานแบบหลายๆปีหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายๆเดือนไม่ได้สามวันห้าวันพอได้อยู่จะหลายปีหลา ย, ลายเดือนจะมานั่งสบายอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องไปทําอาหารกินในฝ่ายนี้ก็ไม่พอดีจิตนะ่าจะคิดมากก็ไม่ดีไม่คิดเลยก็ไม่ดีตัวกลางมันอยู่ที่ไหนคิดในเรื่องที่คนคิด ไม่คิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดคิดในส่วนที่ไม่มีปัญหาอันไหนมีปัญหาก็ต้องคิดแก้ใช้ความคิดแต่เพียงพอดีไฟเนี่ยถ้าไม่มีเลยก็ไม่ดีถ้ามีมากเกินตัวนี้ก็ไม่ดีร้อนใช่ไหมถ้ามีพอดีสามารถควบคุมความพอดีได้ปิดเปิดได้ตามพอดีอ๋อจิตก็เหมือนกันบางครั้งก็ต้องคิดบางครั้งก็ไม่ต้องคิดถ้าคิดก็อย่าคิดมากเกินไป ถ้าไม่คิดก็ไม่ใชว่าไม่คิดเลยสุดตรงทั้งสองทางรู้จักคิดอ๋อรู้จักใช้ความคิดแต่พอดีแก้ปัญหาได้จบอันนี้องความพอดีทางจิตมันเป็นอย่างนี้เริ่มหาล้วเริ่มวิเคราะห์แล้วกรรมจิตแล้วดินฟ้าอากาศเป็นไงถ้าร้อนเกินไปเป็นไงก็อยู่ไม่ได้หนาวเกินไปก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ทำยังไงที่จะพอดีร่างกายของเราถ้าร้อนเกินไปก็เป็นไข้ใช่ไหม หนาวเกินไปก็เป็นอะไรความดันต่ำอยู่ไม่ได้เป็นลมเป็นแรงวูบใช่ไหมร่างกายของเราความดันสูงก็ไม่ดีความดันต่ำก็ไม่ดีความดันแด็พอดีเออดังนั้นเขาควรเรียบปรับอุจตุอากาศภายนอกอากาศภายในถ้าร้อนเกินไปแล้วก็เปิดพ้าลมแล้วเปิดแอร์ถ้าหนาวเกินไปแล้วก็เปิดฮีตใช่ไหมเอออากาศเด็กพอดีมันปรับได้แต่มึงเอเชียตะวันอ อ, ออกเฉียงใต้อากาศมันค่อนข้างพอดี หน้าหนาวก็พออยู่ได้หน้าร้อนก็พ อ, อแต่เดี๋ยวนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วนะมันใกล้ๆอยู่ไป่ได้เลยทรายหน้าร้อนก็จะอยู่ไม่ได้หน้าหนาวก็อยู่ไม่ได้ฟีนี่หนาวจนเกือบตายใช่ไหมเออหนาวในรอบกี่สิบปีร้อนเนี่ยเห็นไหมีความเพราะฉะนั้นอากาศถ้ามันพอดีเราอยู่ได้นะกรรมจิตอุตุอันสุดท้ายคืออาหารอาหารอร่อยมากกินเต็มที่เลยเป็นไง โลภะขยันเจ็บเรืเ่งานไอ้คนนี้หิวมีกินบ้างไม่มีก็บ้างค้างอดคนนี้อยู่ได้ไหมก็จะอยู่ลําบากอันนั้นมีจนเหลือกินเหลือใช้กินจนอ้วนกินจนลดลงอันนี้ก็จะอยู่ลําบากแต่รู้จักกินพอดีกินในสิ่งที่คนกินกินพอมีคกำรีงกํลาลัง อ, อืออันนี้พอดีอ๋อความทุกข์ของร่างกายอยู่ที่ปรับสี่อย่างนี้ให้พอดีความไม่สบายของร่างกายถ้ารู้จักปรับสี่อย่างนี้พอดีคืออะไรบ้างกรรมจิตอุตุ อาหารถ้ารู้จักปรับเงื่อนไขนี่สีอย่างพอดีนั่งกายอยู่ได้สบายไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปอ๋อท่านค้นพบเอาแล้วจิตใจอะ่ะถ้ามันจะปรับความพอดีเลยถ้าปรับสี่อย่างนี่พอดีใจมันเกิดความพอใจไม่พอใจยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เพราะมันมีกิเลสปรับร่างกายให้ดีที่สุดพอดีที่สุดแต่จิตใจมันไม่พอดีนะถ้าอันไหนมันพอใจรู้สึก พอดีมันก็จะพอใจอันไหนเกินพอดีไปมันก็ไม่พอใจเกิดไปนิดหน่อยก็รู้สึกไม่พอใจพอดีนิดหน่อยก็เกิดความพอใจมันไปเสพความพอใจร่างกายเนี่ยเขาไม่เสพใช่ไหมแล้วก็าคอยบำบัดเอาให้มันพอดีแต่จิตใจเนี่ยถ้าเกิดความพอดีเราไปปรับทันทีเหมือนกับว่านั่งนานเกินพอดีลุกขึ้นเนี่ยความไม่สบายหายไปเลยจิตใจถ้ามันเกิดความไม่พอใจบำบัดสั่งออกไปความพอใจจงหายไปอย่ามาอยู่ในใจของฉันนี่สั่งได้ไหม ไม่ได้นี่ความว่าเป็นอนัตตาอยู่ตรงนี้คือสั่งไม่ได้แต่ร่างกายเนี่ยถ้านั่งไปนั่งอยู่นี่ น, นานๆมันปวดปวดตะโพกเนี่ยเราบอกว่าความปวดที่จะโพกของฉันจงหายไปเนี่ยมันจะหายไปอย่างที่เราสั่งไหมขณะนี้นั่งแล้วปวดหนักปวดเบาแล้วสั่งทันทีสันขี่เหียจไปความปวดหนักปวดเบ า, เบาจงหายไปจากร่างกายของฉันเนี่สั่งได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งรูปทั้งนาม เป็นอนัตตาหมาม่าสั่งไม่ได้เอามาชอบที่จะสงบแล้วมันก็สั่งขอให้จิตใจจงสงบเดี๋ยวนี้มันจะสงบอย่างที่เราสั่งไหมขอให้จิตใจของฉันจงหมดความทุกข์เดี๋ยวนี้ก็สั่งไม่ได้เหมือนกันสัพเพธรร ม, มานาตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ว่าทั้งรูปทั้งนามเป็นอนัตตาได้ทั้งสองอยา่างคือสั่งไม่ได้เพราะนั้นสั่ง คําว่าอนัตตาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัวตนอย่างสําแรลนะแปลว่าควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้บอกไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างที่เราต้องการนั่นเป็นอนัตตาในความหมายนั้นไม่ได้ความหมายว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเนี่ยกายเราเนี่บุกสลายเป็นผงหมดเลยไม่มีไม่ใช่อนัตตาแบบนั้นแต่อนัตตาที่มันสั่งให้ได้ไม่ได้ตามต้องการสัพเพธ昙มาอนัตตาทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทีแรกเลยว่าเออรูปนี้เป็นอนัตตานามไม่น่าจะเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นอนัตตาอยู่แล้ว ทีนี้คําว่านามล้วนๆเนี่ยมันเป็นอนัตตาไหมอ น, นัตตาก็เกิดมาจากอัตตนั่นเองแท้อัตตามีสองอย่างอัตตาที่เป็นรูปนามและอัตตาที่เป็นนามวัรูปอ่ามันมีสองอย่างเนี่ยรูปนามหมายถึงร่างกายธาตุสี่อันนี้กับความรู้สึกตัวเป็นรูปนาม แต่นามารูปได้แก่อย่างที่เราว่าเมืเ่อกี้เวลาคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยรูปเยางอยู่ชื่นั่นมีไหมคุณพ่อคุณแม่ปรากฏตรงนี้ไหมก็ไม่มีรูปที่เป็นธาตุไม่มีแต่มันมีรูปที่เป็นอารมณ์เขาเชื่อว่านามารูปรูปอันนี้เรียกว่าสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้เอาสมมติว่าคุณคิดถึงเรื่องเป็นหนี่คนนั้นเริ่งร้อยล้านเมื่อไหร่จะไปสา้ความคิดว่าเป็นนี่จงร้อยจงหายไปจากหัวของฉันเนี่ยสั่งได้ไหม สั่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาแต่ถ้าหาความรู้สึกโล่งๆปร่งๆบาสบายเนี่ยคุณจะสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้คุณจะถ้ามันมีขึ้นมาปั๊บคุณจะสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้ทีนี้จะทำไงให้มันนามาลูปอันนี้จะละเอียดยากขึ้นหน่อยนะคือความคิดเป็นเรื่องเป็นรูปเนี่ยมันเป็นอนัตตาลักษณะนั้น รูปธรรมนามธรรมเป็นอัตตาลักษณะที่มีรูปอยู่ไม่ว่าที่เป็นรูปธาตุหรือนามธาตุถ้ายังมีรูปอยู่มันสั่นมาได้แต่ในกรณีตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันเกิดมาตอนที่เราเกิดมาเราตายไปตัวรู้นี่หายไปไหมก่อนที่เราจะเกิดตัวรู้เนี่ยมันมีอยู่ก่อนไหมหรือเพิ่งมามีตอนที่เราเกิดตัวนี้อย่างเลยนะฟังให้ดี ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันมีก่อนที่เราเกิดหรือว่ามันมามีตอนที่เราเกิดและตัวรู้สึกตัวเนี่ยเวลาเราตายไปเนี่ยมันตายไปกับเราหรือมันไม่ตายพิจารณาตัวนี้หน่อย มาจะถามเป็นรูปธรรมต้นมะม่วงเมื่อพันปีสองพันปีก่อนมันมีอยู่ไหมแล้วอีกสองสามพันปีขา้างหน้าต้นมะม่วงยังมีอยู่ไหมถ้าท่านนี่มันเป็นรูปธรรมมันมีอยู่อ่ะมันมีเชื้อพันของมันเราที่ประเกิดมาชาติเนี้ยจู่ๆเรามารู้สึกตัวไม่ใช่มันมีเชื้อพันธุเรียกว่าวิญญาณที่สืบทอดมาจากตัวรู้ตัวนี้มันสืบทอดมาแต่ บรรพบุรุษของเราใช่ไหมเราตายไปแล้วตัวรู้ตัวนี้ของเร า, เาก็ไปเกาะกับลูกกหลานเกิดต่อไปใหม่ทีนี้ตัวรู้ที่เป็นรูปเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แต่ตัวรู้ที่เป็นนามทีนี้ตัวรู้ที่เป็นนามล้ว น, ลวนพลังงานของโลกที่มันมีอยู่อย่างนี้เรื่องแดดเรื่องฝนเรื่องร้อนเรื่องหนาวเนี่ยมันจะสี่สุดเป็นไหม มันจะหมดเป็นัหยเรื่องการเปลี่ยนแปลงแปรปเนยมันขึ้นเป็นรูปใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าโลกเนี่ยไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีแดดไม่มีฝนไม่มีลมไม่มีอะไรสิ้นสภาวะโลกของโลกนี่ยังมีอยู่ไหมว่างๆของโลกมีอยู่ไหแต่ผู้รับรู้มีไหมไม่มีเพะนั้นภาวะที่เป็นนามได้แก่พลังงานล้วนๆโดยที่ไม่มีรูปอาทุกคน ยกมือขึ้นกำให้แน่แนๆดูดิแน่แนๆรู้สึกไงกำให้แน่นที่สุ ด, ดรู้สึกไงหนักหรือเบาหนักจะต้องปล่อยดูดิความหนักหายไปไหนความเบามาจากไหนเป็นผู้รับรู้ใช่ไหมแต่คนจริงหนักเบาันมีไหมไม่มีมันมีแต่เมื่อเราสร้างมันขึ้นมาเราทำมันขึ้นมาพลังรู้นี้มันเป็นลักษณะอย่างั้น ถ้าเรารับรู้มันก็มีขึ้นมาถามว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถามว่าอาหนักเมื่อกี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้พุทธเจ้าใช่ชกัว่าเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยหนักเหตุปัจจัยพาะเรากรรมเวลาแบรหมดเหตุปัจจัยที่กรรม ตรงนี้เลยกว่าเห hey, ตุปั จ, จโยเวลาพระสวดเหตุปั จ, จโยอะไรมาแลาไปตรงนี้สําคัญเมื่อมีเหตุจึงเกิดสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อสิ้นเหตุทีนั้นก็ดับกิเลสมันเกิ ด, เ ก, ดเกิดเพราะเหตุอยากจะให้หมดกิเลสก็ต้องเอาเหตุมันออกคาถาตรงนี้นะคนฟังแล้วบรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันเลยมีชื่อมา่าคาถาตรงนี้เยธมาเฮตุปวาเตสั่งเฮตุตุนทัคคตุ เตสัญจะโยนิโลโทจะเอวังวาตีมห้าสมโนอันนี้เป็นคาถาของใครเป็นคาถาที่มีชื่อมากเป็นคำพูดของใครเป็นคำพูดของพระอาชาชัชชิหนึ่งในปัญจวัคคีดังห้าเมื่อนุงอุปติสะแสวงหาท่านผู้รู้อุปติสะทุนนั้นต่อมาได้แก่ใครพระสารีบุตร แ ต, แต่ท่านเป็นชาวบานท่ชื่อปติสระใช่ไหมท่านบวชท่านเลยชื่อใหม่ว่าสารีบุตรในช่วงนั้นอามาเล่าหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ภาษาลิบุตรมุคลานะเนี่นะในช่วงนั้นก็สแสวงหาครูอาจารย์สแสวงหาครูหลายคนก็ไม่สามารถจะหาคนที่ตอบปัญหาได้ถูกใจแต่ที่สุดเมตอนนั้นผู้ที่เจ้าเทศนาให้บรรจิวิเคราะคารับบรรลุธรร ม, มใหม่ๆก็กระจายไปว่าเออเพือเผยแพร่มึงลคนลคนนะอย่าไปทางเดียวกันสองคนเพราะเรามีเคสข้ามหคนพอบรรเจิวคราห์คบวชกับท่านคนหนึ่งเป็นห พอาจิก็ไปบ้านนาลานคามเนี่ยไปมินบทบัตเดิ น, นมินทบัตดำคนเดียวทีนี้สมัยนั้นก็มีนักบวชมินทบาตนักบวชจากพวกนิคนพวกมหาวีระพวกลัที่นิคนนักบวชมีอยู่แล้วแนหะในเดียแบบนักบวชทั่วไปในเมืองไทยเดือนนี้ยมาจากลัที่ต่างๆที่ท่านก็ไปเห็นนักบวชทั่วไปก็เดินเฉลยสล่าไป้วใครจะใส่บาตรอะที่ไหนมีซองตรงไหนมีอาหารตรงไห น, านก็เฉลยสล่ลาไปอย่างเงี้ยนักบวชทั่วไปใช่ไหม แันนี่ท่านเดินไม่ไม่มองใครมองเฉพาะนะเดินนิ่มเดินสวยแล้วก็สำรวมเลยภาพอันนี้ไปเตะตาท่านอปฏิสสะที่แสวงหายอยู่เอ๊ะภาพอันนี้ต่างเพื่อนเดินสำรวมไม่วกแวกไม่หวั่นไหวเดินเป็นระเบิดเดินนิ่มดูมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรจะข้าวจะได้ไม่ได้ใส่จะใส่ไม่ใส่ดูมันไม่สนใจเลยใช่ไหมก็เดินไปเฉย มีคนใส่ท่านก็รับไม่มีคนใส่ท่านก็ไม่รับสมมุตแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะต้องตามไปดูไปถามว่าท่านมาจากว่าไหนใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สอนท่านยังไงทัานสนใจท่านอ่ะจะไปลองตอนนี้ท่านบินทบบาทอยู่ไปถามท่านนั้ไปตามไปหางจนกระทั่งท่านบินทบบาทจบท่านก็มานั่งฉันได้หรือไม่ฉันก็บสุกรองก็อยู่ห่างเฝ้าดูอยู่พอหลังจากท่านสรนเสร็จอะไรเสร็จก็เข้าไปถามว่าท่านมาจากไหน ใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สอนว่าในที่คก็บอกเออเราก็เพิ่งบทใหม่เหมือนกันนะก็เพิ่งรู้ทําันใหม่เพราะฉะนั้นครูจะอธิบายตอบคําถามอะไรท่านอย่างที่ถามคงไม่ได้มากหรอกแต่ว่าอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างนี้เยธมาเหตโบวาเตสังเหตุดุงรัฐาภโตเตสันจะโยนิโรตโหจะเอวังวาทีมหสมัมโนอาจารย์ของฉันบอกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุไม่มีเหตุมันเกิดไม่ได้หรอก แต่ถ้าจะให้เรื่องมั น, มนดับก็ดับที่เหตุไม่ดับที่ผลไม่ได้อาจารย์ฉันอย่างเงี้ยสอนอย่างเงี้ยเข้าใจเลยอ๋อใช่มันจะต้องมีเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะดีก็ทำที่เหตุให้มันดีเราอยากจะชั่วก็ทำที่เหตุให้มันชั่วเราอยากจะทุกข์ทำที่เหตุเราอยากจะหมดทุกข์ก็ทำที่เหตุที่มันให้หมดทุกข์ท่านมองทะลุเลยออ เกล่ะอย่างนั้นฉันจะไปพบอาจารย์ของท่านแต่ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งฉันไปหาเพื่อนหนึ่งแล้วชนเพื่อนไปด้วยแล้วเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนเพื่อนท่านชื่ออะไรนะท่านโกนิตาต่อมาได้ชื่อใหม่ว่าโมฆครานะชื่อเดั้ของท่านคือโกริตาแต่ท่านเกิดในในตระกูลโมฆครา น, นะท่านก็เอาชื่อของตระกูลโดตินโมคารานะก<อ>็ชวนไปเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนเพื่อนก็นเริ่มเริ่มทำทั้งทงทงี่ยังไม่พบผูริยายนะได้เปผีวสุนดาวันก็พาไปหา นี mind, ่เราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุแล้วก็ลอพูดถึงว่ากำมือเนี่ยเป็นเหตุให้ถ้ากำโดยที่ไม่หนักเนี่ยหนักไหมกำสบายๆความหนักก็ไม่มีใช่ไหมกำอยากให้มันหนักก็ได้ให้มันเบาก็ได้แบ่อยากให้หนักก็ได้แบ่หนักๆทำไงแบ่ให้มากๆนะเอาลองแบ่ทุกคนแบให้ตั้งหนักเลแบให้เกร็งเลยหนักไหมแบก็หนักเท่ากำไม่ใช่ว่าแบ่แล้วมันจะไม่หนัก หมายความมันเกินพอดีแบ่เกินพอดีก็หนักกรรเกินพอดีก็หนักแต่น้ามันพอดีกรามก็ไม่หนักแบกก็ไม่หนักอ๋อมันอยู่ที่เหตุทําเอาได้นี่เราจะให้หนักหรือให้เบาอยู่ที่เราทําเราเป็นผู้ทําทําอย่างไรถึงจะสบายทําพอดีกรรมก็กรรมแต่พอดีก็จะไม่หนักแบ่ก็แบ่แต่พอดีมันก็จะไม่หนักถ้าคุณกรรมพอดีเออคุณกรรมเกินพอดีมันก็หนักคุณแบ่เกินพอดีมันก็หนักอ๋อแค่นี้ มันก็เห็นทะลุทะลวงไปหมดเลยด้านจิตก็เหมือนกันทุกอย่างอยู่ที่พอดีพระพุทธเจ้าเลยตรัสเรื่องอะไรมัชชิมาบดีปทานักปฏิบัติใครอยากจะมีไม่ทุกข์เนีย่ยให้รักความไม่พอดีทั้งสองทางหนึ่งความไม่พอดีฝ่ายสบา ย, ส, บายสองความไม่พอดีฝ่ายไม่สบายที่นี่ใช้ว่ากาธรรมสุขานิการโยข้าความมบุรีในฝ่ายลบ ก, ก็เรื่ออากาศกิริมะฐานุโยค นบอกําให้พอดีก็คือมัชิมาปฏิบัติธาที่ทำงานให้พอดีมันถูกต้องด้วยก็จัดเรื่องอะไรมักไม่องแปดเข้ามาหนึ่งต้องเห็นอะไรให้ถูกต้องเสียก่อนใช่ไมสมาธิถี่เริ่มขึ้นเลยนี่อ๋อตรงนี้เองในที่สุดท่านก็เลยนำมาสอนไงทีนี้พอพอหลังจากอันนี้เราอธิบายความตรงที่ว่าเจ้าสมณะท่านไปฟัง พรอินทร์ดิดสายพินที่นั่นะเราอธิบายความตรงนั้นนะว่าสายที่พอดีคือดิดยังไงแล้วมันเพราะเรากําลังจะอธิบายขยายความตรงนั้นเรื่องบรรทุกยามาขนาดนี้ทีนี้พอท่านไปเห็นความพอดีเอ้ถ้าอย่างนั้นเรานั่งแต่พอดีเดินแต่พอดีกินแต่พอดีนอนแต่พอดีมันก็ประสบความพอดีได้สบายดีแล้วท่านก็ทําให้เกิดความชำนาญไดพอดี แต่การที่จะพอดีได้เนี่ยหนึ่งระวางความสุข ก, กับความทุกข์เราติดใจอไหนเรามักจะติดใจอะไหนได้มากกว่าระหว่างความสบายไม่สบายคนชนใหญ่ชอบอะไหนอ่าความสบายระหว่างอร่อยไม่อร่อยคนชนใหญ่ชอบอะไหนความอร่อยอ่าความนุ่มนิ่มกับความหยาบคายคนใหญ่ชนใหญ่ชอบอะไหน หองกินเหมนคนใหญ่ชอบวันไหนภาพสวยไม่สวยคนไหนส่วนใหญ่ชอบวันไหนใช่ไหมท่านก็เห็นโอดังนั้นคนส่วนใหญ่ไหลไปสู่ในสิ่งที่พอใจเพราะฉะนั้นการที่จะหาความพอนีิระหว่างกลางเนี่ยมันจะต้องทวนความพอใจเพื่อภาพตรงนี้เห็นชัดท่านก็เลยเปรียกว่าก่อนที่แตสดุ้ยเจ้าชายสมณะโคตมะได้ถือขันถาตทองคําไปที่ฝั่งน้าเนรัญชลาใช่ไหม มีนิทานขึ้นมาทันทีเลยแล้วท่านอธิษฐานก่อนที่จะวางว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรู้ตัดกิเลสได้ใครขี่เลยเขาให้ถ่ายวันนี้ไปไงควรกระแสงขึ้นไปถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถตัดกิเลสได้ใครขี่ขอให้ถ่านแบบนี้ไปไงหลายต่างกระแสงด้านนั้นที่สุดท่านกระวางลงไปถายไปยงไงหลทนลลุนและหลายต่าง มันก็ไหลทนกระแสแต่ถ้าจะบอกว่าเออคุณต้องทําจิตให้พอดีนะอย่าไหลาตามความพอใจให้พยายามถ้าท่านพูดแบบนี้นิทานเรื่องนี้เกิดไหมนิทานเรื่องนี้ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเราจะจําได้ไหมนิทานมันดีตรงที่ว่าสามารถรักษาเหตุการณ์ไว้ได้เหมือนเราจะเอาข้าวมาปลูกถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยเอามาปลูกได้ไหมไม่ได้ถ้าจะปลูกเจ้าเราเอาข้ออะไรอ่าข้าวเปลือก แต่ข้าเปลือกกินได้ไหมไม่ได้เข้าวสารกินได้ไหมแต่นั่ น, น, น, น, นเห็นไหมเหมือนกันตัวสภาวะธรรมเหมือนกับเข้าวสารตัวทั้งสมมุติธรรมนิทานชาดกต่างๆประเพณีต่างๆเหมือนกับเข้าเปลือกมันรักษากันไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงเต็มไปด้วยเรื่องของชาดกนิทานอุโบมาว่าเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอันนั้นคือตัวเข้าเปลือกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาเราเรียกว่าสมมุติ แต่ในส่วนตัวรู้ล้วนนเหมือนข้าสารนั้นเรียกว่าปรมัตดกะทิเพื่อสมมุนสมมุติคือเข้าเปลือกน้ำมันที่กั่นออกมาแล้วคือเข้าสารหรือน้ำมันที่กั่นออกมาแล้วตัวนามล้วนๆในตัวเรารู้สึกล้วนๆนี้เป็นปรมัดคือเข้าสารคุณอย่าพูดปรมัตดอะผมไม่เข้าใจหมายของพูดไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คุณพูดให้รู้เรื่องสิเราต้องใช้สมมุติใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้เรียกว่าสมมุติ ขณะนี้ฉันผมคิดอะไรเ น, นีคุณรู้ไหมเนี่ยพูดปรมัตอะไรใช่ไหมขณะนี้คุณคิดอะไรฉันก็ไม่รู้เหมื อ, อนกันนะภาษาของใครของมันนี่เ้าเรียกปรมัดคือรู้ใครรู้มันอะ่ะใช่ไหมรู้ใครเมืนปรมัดเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าชายก็มาพิจารณาจริงอ๋อโลกนี้มันมีสองอย่างคือส่วนที่มันเป็นส ม, มุติและส่วนที่เป็นปรามัด มันก็ขยายมาจากว่าชีวิตที่มันมีสองอย่างคือส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นกายนี่เรียกว่าสมมติส่วนที่เป็นจิตนี่เรียกว่าปรมาทินีความพอดีระหว่างกลางกายกับใจนี่คืออะไระคืออะไรถ้าหากไปตามใจที่เราอยากที่เราชอบสมมติวันนี้ฉันอยากจะใจฉันอยากจะได้ชั่วโมงละหนึ่งพันบาทเราทางานไปไง ชั่วโมงหนึ่งพอบาดได้ทำงานแรงหนักหรือเบาหนักมากเครียดมากๆร่างกายทนไหวไหมไม่ได้ไม่พอดีแล้วเอาชั่วโมงละสามร้อยบาทร่างกายก็พอทนไหวใจก็พอทนแต่ว่าโอ้โหชั่วโมงละพันบาทนี่มันยีโยนทวนใจอยากจะได้เลยเกินนะถ้าเราจิตของเราไหลไปตามความอยากร่างกายนี่จะลาบากมันจะต้องต้านให้ ความอยากของเราท่านจืดเปลี่ยนเสมือนถาดใบนี้จะให้มันไหลตามมน้ําไม่ได้แต่ต้องไหลทวนน้าหมายความว่าจิตของเราเนี่ยเหมือนแก่แสน้ํามันจะต้องมีตัววัดเอามันไหลขึ้นไหลลงใหญ่คือตัววัดตัวนี้คือตัวความจริงได้ว่าถาดทองคํานั่นคือสัจธรรมต้องมีตัวสัจธรรมที่จะประคองให้จิตนี้ให้เกิดความพอดีได้ตัวสัจธรรมนี่คืออะไรคือตัวนําได้แก่ตัวรู้สึกตัว คือปัญญาเอาตัวปัญญาเนี่ยมาทวนกระแสจิตถ้าคนไม่มีปัญญาทวนกระแสจิตไม่ได้ทวนได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเก็บกดลักษณะที่เร า, าถูกบังคับมากๆแล้วเราเก็บกดนานมากเข้ามากเข้าเพราะว่าเก็บกดเกิดอะไรกดดันแล้ว เ, เกิดการระเบิดใช่ไหมเราก็มีการ ฆ่ากันแก่งกันทำร้ า, ายกันใช่ไหมนั่นคือภาวะเก็บกดแต่คนนั้นรู้สึกตัวอย่างมีปัญญาก็หมายความรู้จักผ่อนรู้จักคลายรู้จักแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะเก็บกดขึ้นตัวลักษณะรู้จักนิ่งเป็นแต่ผ่อนคลายเป็นกลายมาเป็นสมาธิและปัญญาอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องท่านเข้าใจจุดนี้ปับ๊บอ๋อท่านก็ลองทดสอบดู ท่านนั่งดูเพียงคืนเดียวทะลุหมดเลยเห็นจริงความจริงทั้งนี้หมดเลยแล้วก็ท่านได้ตัดสู่เพราะเห็นในเรื่องความพอดีนี่เองแล้วท่านก็ปรับร่างกายได้พอดีร่างจิใจได้พอดีแล้วเอาเรื่องพอดีอามาสอนตลอดสี่สิบห้าปีของท่านแล้วจะมาถึงเราสามพันกว่าปีแล้วก็ยังนํามาสอนก็นได้อยู่เป็นธรมาตราธรรมมันเสื่อมไม่เป็นแล้วก็เห็นมันเป็นมาอย่างเนี้ยโอ้ อั น, นิส่งที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายเศ็ษได้พบความพอดีตรงนี้เองเราเรียกว่าภาวะตื่นรู้พุท ธ, ธะพุโทโธเกิดขึ้นเพราะตื่นรู้ถึงความพอดีหนักเกินไปก็ลาบากเบาเกินไปก็ไม่ดีลักษณะหาความพอดีท่านในกายและในใจเป็นตรงนี้เรื่อ ก, การเข้าถึงธรรมถามว่ายากไหมกํามือแน่นเนี่ย กับกามือสบายเนี่ยอันไหนยากอันไหนง่ายกามือสบายง่ายแบ่มือจ น, จนกระทั่งมันตึงกับแบ่มือธรรมดานี่อันไหนสบายแต่ทําไมคนชอบทําสิ่งยากๆเพราะมันไม่รู้จักความพอดีคนที่ไม่รู้จักความพอดีจะทวนกะระแสเป็นไหมไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนหาความพอดีไม่เจอความพอดีของคนนี้ไม่เท่ากัน พอดีของนี้ความพอดีระหว่างกลางคือทุกคนรับได้เรียกว่าความสบายนะแต่บางอย่างความสบายทางกายทางใจเลือกไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยสี่ประการคืออะไรก ร, รมจิตอุตตุอาหารแต่ถ้าเราเลือกความพอดีในใจเราเลือกได้คือรู้จักทุกส ม, มุทัยนี่โรดมากสีเหมือนกันอ๋อ ม hmm. <t all> ันอยู่ที่กายถ้าจัดการมันไม่พอดีมันมาอยู่จิตเป็นสมูทัยคือความพอใจไม่พอใจความสบายไม่สบายควบคุมไม่ไม่ถูกต้องมันมาก่อเกิดที่จิตเรียกว่าความสบายพอใจไม่พอใจความสบายก่อให้เกิดความพอใจความไม่สบายก่อให้เกิความไม่พอใจมันเป็นสมูทัยนี่อ้าเราจัดการมันได้เอานิโรธจัดการเอามรคมาจัดการคือทําให้มันพอดีซะพอดีที่กายรู้เท่าทันที่กายเกิดความพอดีที่กายไม่เหลือมาสู่จิตพอดีปั๊บ อ๋อตรงนี้เองท่านโอ้ขึ้นมาเรียกว่าบรรลุธรรมการตัดสรุจึิ่งขึ้นนำไปพินิษ์พิจนารณาว่าสิ่งที่นำเสนอเนี่ยเข้าใจได้ไมไม่ยากไม่ง่ายเข้าใจได้แล้วเราสามารถจะได้ดวงตาเห็นทางชัดเจนสามารถที่จะไปกำจัดสัญญาณกิเลสอาสวะทั้งหลายในจิตใจของเราได้หมดจดด้วยการทุกคนุทุทนถือ